ที่แล้วนี่นอกจากพูดเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็การเต็มตัวเต็มใจหรือว่าการทำใจเมื่อต้องเจอกับความสูญเสียเจอกับความวิบัติความหายนะที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังไปพูดอีกเรื่องหนึ่ง ขตั้งชื่อเรื่องไว้น่าสนใจพร้อมก่อนตายเรื่องนี้นี่เขาก็ไม่ใช่น่าสนใจที่หัวข้อเท่านั้นนะสถานที่นี่ก็ไม่เหมือนใครนะเพราะว่าไปพูดตรงลานของห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ในกรุงเทพนะห้างเซ็นทรัล o วว์ ก็ไม่เคยไปพูดในบรรยากาศอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นลานโล่งแล้วก็คนก็ผ่านไปผ่านมามีเสียงดังจากกิจกรรมในพื้นที่ข้างเคียงรอบๆก็เป็นห้างสรรพสินค้าเป็นห้างเป็นร้านชื่อดังหลายร้านดูมันตรงข้ามกับชื่อหัวข้อเลยนะ เรื่องความตายนี่มันเป็นเรื่องที่คนรู้สึกเสียวหรือว่าสยองเวลาได้ยินคำ ว, ว่าความตายนี่มันเป็นคําที่คนสมัยนี้รู้สึกวเป็นคําอุจจารจะพยายามเลี่ยงไม่ใช้คํานี้ใช้คาว่าสิ้นลมจากไปนะมรณะหรือว่า ล่วงลับไปแล้วแต่ว่างานนี้นี่เขาไม่ไม่หนีคานี้เลยนะเอาคําว่าความตายนี่แหละมาบุกเข้ามาถึงห้างสปปรรพสินค้าอันที่แรกก็ไม่ได้เจอ า, าจะมีคนฟังเยอะหรือเปล่าเพรว่าคนฟังเยอะมากทั้งนั่งเก้าอี้ทั้งนั่งพื้นทั้งยืนยืนที่ตรงลานไม่พอ ยืนชั้นสองชั้นสามที่มันเป็นเป็นเป็นระเบียงสำหรับให้คนจ้องมองลงข้างล่างถึงแม้ว่าเสียงมันจะดังจากที่อื่นนะแต่ว่าคนก็ตั้งใจฟังกันมากดังที่หลายคนก็คงอยากจะมาเที่ยวนะไม่อยากจะมาฟังเรื่องระคายหูแต่ก็มีคนมาสนใจฟังอยู่ ที่ตั้งใจมาฟังเองก็มีเยอะแล้วก็อยูจนถึงเกือบสองชั่วโมงนะก็เห็นใจคนยืนนะยืนเกือบสองชั่วโมงไม่ไม่ขยับไม่หนีเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทางการดําเนินรายการ ก, ก็อาศัยคนที่เป็นนักดําเนินรายการอยู่แล้วนะเป็นนักเขียนที่มีแฟนเยอะนะชื่อนิ้วกลม นี่กลมนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่มีแฟนท้งทางโทรทัศน์แล้วก็ทางข้อเขียนก็ก็พูดซักถามที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเองแล้วก็น่าติดตามพร้อมก่อนตายเนี่ยทำไมถึงพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะ ไม่พร้อมที่จะตายไม่ใช่เฉพาะคนหนุ่มคนสาวนะแม้กระทั่งอายุ60 70 80บางที90นะก็ยังไม่พร้อมที่จะตายและเวลาใกล้ตายนี้ก็มีอาการต่อสู้ขัดขืนซึ่งก็ทาให้เจ็บปวดทุกทรมานมากขึ้นอย่างที่พูดเมื่อวาน ว่าสิ่งที่ทําให้คนเราทุกข์เมื่อเจอภัยพิบัติข้อแรกคือใจไม่ยอมรับตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องคิดฝันเอาแต่ใจไม่ยอมรับก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจนอกเหนือจากความป่วยกายหรือว่าความสูญเสียทรัพย์สมบัติทัพย์หรือว่าคนรักอะไรเนี่ยคนทุกวันนี้เนี่ย ทำไมถึงไม่พร้อมก่อนที่จะตายก็เพราะว่าไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องพุ่งนี้เลยหรือว่าไม่นึกถึงเอาเลยก็ว่าได้เนื่องจากเหตุผลหลายอย่างเช่นกลัวตายบ้างหรือเพราะว่าชีวิตมันเร่งรีบให้ต้องบอกมุ้นคลุนคิดเกี่กับเรื่องต่างๆมากมายทั้งที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระ มีสาระ ก, ก็เช่นการทาการงานอาชีพนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องแข่งขันกันมากาคนก็คิดแค่วันนี้วันพรุ่งไม่ใช่แค่วันนี้จะเอาอะไรกินนะแต่ว่าวันนี้จะทำงานให้สำเร็จได้อย่างไรอีก3มเดือนหน้าจะทำงานให้ตรงตรงตามเป้าได้อย่างไรเดี๋ยวนี้บริษัทหลายแห่งนี่เขาไม่ได้วางแผน ว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ก็าวางแผนทุกสามเดือนมีเป้าทุกสามเดือนก็ ค, คิดแต่เรื่องพวกนี้แหละมันจะมีเวลาเหลือสำหรับการคิดเรื่องความตายจะอย่างไรยังไม่ต้องพูดถึงความสนุกสนานนะมีสิ่งที่ชักชวนดึงดูดใจให้เพลิดเพลินไปกับแสงสีอย่างคนที่มาห้างนี่นะ หรือว่าคนที่ชอบเที่ยวห้างเนี่ยจะมีกี่คนที่จะนึกถึงความตายเพราะว่าห้างก็ดีสถานบันเทิงก็ดีมันรู้แล้วแต่ทําให้เพลิดเพลินในการมีชีวิตทําให้อยากจะมีชีวิตยืนยาวตลอดไปนานๆมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยหลงลืมเรื่องความตายหลงลืมเรื่องความเจ็บความป่วย ลงลืมเรื่องความพักพลาแต่คนทุกวันนี้จึงมีชีวิตเหมือนคนลืมตายคืออยู่โดยที่ไม่ได้นึกไม่ได้คิดเลยว่าสักวันหนึ่งตัวเอต้องตายแล้วอย่างนี้มันจะพร้อมได้ยังไงทีนี้พอลืมตายแล้วเนี่ยหรือว่าไม่พร้อมที่จะตายแลยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่พูดไปแล้วข้อแรกคือว่าพอ พอใกล้จะตายเนี่ยมันก็เกิดอาการทุรนทุรายเกิดความกลาดเกรียวทำไมต้องเป็นชั้นไม่ยุติธรรมเลยชั้นดุสาทำความดีมาฉันดุส่าออกกำลังกายกินอาหารสุขภาพทำไมต้องมาเป็นโรคร้ายแบบนี้ทำไมบุญไม่รักษาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองทาไม ไอสิ่งที่ฉันทุ่มเทมามันไม่ช่วยให้ฉันมีชีวิตยืนยาวขึ้นเลยเนี่ยก็ได้แต่บนโวยวายก็ทุกข์ทรมานเสร็จแล้วก็เลยระบายความทุกข์ใส่คนอื่นใส่ลูกใส่หลานใส่หมอใส่พยาบาลแล้วพอตายก็ไม่ไม่สงบนะพอไม่สงบเป็ น, นยังไงก็อาจจะไปอบายในทางศาสนานเนี่ย จิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็พาไปอบายนะในเวลาสิ้นลมคนสมัยนี้ก็ไม่เชื่อแล้วนะเรื่องอบายเรื่องสุขติหรือทุกคติก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าที่มันเห็นชัดก็คือว่าอตอนก่อนตายนี่สินะก็ทรมานพอหลังตายแล้วเจ้าตัวจะไม่ทรมานแต่ว่าญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่เนี่ยทุกทุกที่เห็นคนรัก ทุรนทุรายกระสับกระส่ายจนสิ้นลมกลายเป็นฝันร้ายกลายเป็นแผลที่ค้างคาเป็นปีๆเจ้าตัวตายไปแล้วนะแต่คนที่ยังอยู่ก็ยังมีความทุกข์ทรมานก็เพราะว่าเขาตายไม่สงบแล้วที่เขาตายไม่สงบก็เพราะเขาไม่เคยเตรียมพร้อมเลยบางทีไม่ใช่แค่นั้นนะ ลูกหลานทะเลาะกันเรื่องสมบัติเรื่องมรดกเพราะว่าคนตายนี่ไม่ได้ทําพินัยกรรมเอาไว้ทําไมถึงไม่ได้ทําพินัยกรรมอาไว้ก็เพราะาไม่คิดว่าจะตายทั้งที่อาจจะอายุหกสิบเจ็ดสิบได้ซ้ำก็มีหลายครอบครัวหลายบ้านพี่น้องทะเลาะกันจนจะฆ่าจะแกงกันก็เพราะว่าไอ้มรดกนี่แหละที่ไม่ได้ทํา ก็ทําให้เกิดการแย่งชิงกันหรือบางทีมีการพูดว่าจะมอบบ้านให้ลูกคนนี้มอบที่ดินให้ลูกคนนั้นพูดได้ ว, วาจาแต่คนส่วนใหญ่ไม่รับรู้ด้วยหรือว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรมันก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันพี่ก็จะฆ่าแกงน้องน้องก็จะทําร้ายพี่อันนี้ก็รวมไปถึงลูกหลานด้วย น, นี่มันคือคือโทษของการที่ไม่ได้เตรียมพร้อมก่อนตายกานที่จะทำยังไงถึงจะพร้อมก่อนตายในการทําความดีเนี่ยการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันก็คือการเตรียมตัวนะเราให้ทาเรารักษาศีลเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวระยะยาว เพราะถาเราให้ทานเรารักษาศีเราทำบุญนะไม่ใช่แค่บุญนี่จะไปรอเราในภพหน้าเท่านั้นแต่ว่าบุญก็ทำให้เกิดความสุขทั้งตอนที่ระหว่างทำหลังทำและเมื่อเวลาจะใกล้าตายพอเราเราึกถึงบุญที่ได้ทำจิตใจก็เป็นสุขได้ ผู้เจ้าตอัว่าเนี่ยบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตเมื่อทำบุญแล้วนี่เราลึกนึกถึงก่อนจะตายก็ทำให้จิตใจเกิดปิติเกิดปราโมทย์แล้วมันก็ตามมาได้ประสัิที่คือความผ่อนคลายแล้วก็สมาธิแล้วก็สุขนะก่อนตายก็หรือใกล้ตายก็มีความสุขได้นะถ้าเรานึกถึงบุญที่ได้ทาความดีที่ได้บาเพ็ญ ไม่เป็นต้องเข้าวัดไม่เป็นต้องทอดกรถินทอดผ้าป่าก็ได้ความดีที่ได้ทํากับลูกหลานก็ทําให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มั่นใจในภพหน้ายิ่งไม่เคยทําความช่วยเลยนี่ก็ยิ่งมีความมั่นใจในภพหน้าแล้วก็ไม่กลัวความตายอย่างพระโพธิสัตว์นี่กล่าวเป็นคาถาพระโพธิสัตว์ก็คือท่านที่มาเกิดเป็นพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละ ท่านบอกว่าเราไม่เคยทําความช่วยในที่ไหนๆเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงถ้าไม่ทําช่วแล้วนี่ก็กลัวตายน้อยลงนะหรือไม่กลัวตายเลยออีกที่หนึ่งท่านบอกว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมแล้วย่อมไม่กลัวปารโลกปารโลกมาถึงพบหน้าถ้าตั้งมันในธรรมแล้วนี่ก็ไม่กลัวว่าตายแล้วจะไปนรกหรือว่าไปอบายมั่นใจว่าจะได้ไป เกิดในสุคติเช่นเป็นมนุษย์ได้ทำบุญได้พบพระพุทธศาสนา จ, จนกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานก็เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อได้ไปสุคติา ก, การทำความดีการหนีความชั่วนี่มันเป็นพื้นฐานเลยแต่ว่าก็มีคนที่ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่เวลาตายก็ทำใจไม่ได้ก็มีเยอะนะแต่เป็นเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดถึงความดีที่ได้ทำหรือเป็นเพราะว่าไม่ได้ระลึกถึงความตายว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเลยการระลึกถึงความตายอยู่เสมอนี่ก็สำคัญนะระลึกถึงความตายเริ่มมรณาสติจเจริญมรณสติอยู่เสมอหรืออย่างที่เราเพิ่งสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ย ธรรมะหประการที่พิจรารณาหนึง่งเนืองที่ควรพิจรารณาหนึง่งเนืองหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความแก่ไปไม่ได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความเจ็บไข้ไปไม่ได้สามเรามีความตายปเาาายป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความตายไปไม่ได้สี่เราจะต้องพดัดพราดจากของรักของชอบใจทั้งหลายสี่ข้อนี้เป็นพื้นฐานเลยข้อห้านี่เป็นเรื่องของการ มีกรรมเป็นที่พึ่งเราลึกว่าเรามีกรรมปของตัวทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชัว่วไอ้สี่ข้อนี้คือความจริงนะที่ต้องเจอนีไม่พ้นนะไม่ชา ก, ก็เร็วเมื่อเ ร, เ, ร เ, ร เ, รเราลึกอยู่เสมอนะทุกวันทุกวั น, ท, ว น, ท, วนที่จริงวันละครั้งก็ยังไม่พอนะในการเราลึกถึงมรณสตินี่พระเจ้าแนะนำให้เราลึกถึงทุกลมหายใจหมายความว่า นักอยู่เสมอว่าอาจจะตายในลมหายใจถัดไปก็ได้นะความตายมันใกล้ตัวมากนะสามารถจะตายได้ทุกเวลาทุกนาทีเดินลงบันไดเกิดก้าวเท้าพลาดตกลงมาหัวกระแทกพื้นตายนะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะมันใกล้ตัวมากพนะระสิที่แบบอกว่ า, วา ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนเดีย๋ยวไปคิดว่ามีวันนี้แล้วก็มีพรุ่งนี้แล้วก็ค่อยมีชาติหน้าหลายคนนี่พ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยไม่มีพรุ่งนี้มีพระที่เบกท่านหนึ่งพูดได้ยิ่งกว่านั้นนะคล้ายๆกับที่พระเจ้าตรัสไว้คือว่าระหว่างชาติหน้ากับลมหายใจถัดไปไม่มีใครรู้นะว่าอะไรจะมาก่อน บางทีไม่ทันได้หายใจเข้าไม่ทันจะหายใจออกก็ไปแล้วนะชาติหน้าหายใจออกไม่ทันหายใจเข้าก็ตายซะแล้วนะชาติหน้าก็ถึงเลยแห้มันเร็วมากนะอย่าประมาท เ, เมื่อเราลึกถึงอยู่เสมอเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเราก็จะตั้งตัวได้เพราะว่าเราทำใจให้คุ้นชินกับความตายอยู่เสมอแล้วลึกนึกถึงบ่อย ก็ต้องซ้อมตายไว้บ้างซ้อมตายซ้อมตายก็เหมือนก็เช่นว่าทุกคืนนะเราก็ลองนึกว่าเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเราจะต้องตายในคืนนี้ในขณะที่ลมหายใจของเราใกล้จะหลุดจากล่างในะะท่าทีนะ่เรากำลังจะสิ้นลมและเราจะต้องสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนรักสูญเสียทรัพย์สมบัติ หลายทั้งปวงไปเรารู้สึกอย่างไรการเลือกว่าเราจะต้องจากคนรักจากทรัพย์สมบัติที่เป็นของรักของห่วงนี่มันก็ทําใจได้ยากเนี่ยถ้าจะไปทําใจตอนจะใกล้ตายหรือกำลังจะตายเนี่ยทําไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยฝึกก็ต้องฝึกที่จะปล่อยวางตั้งแต่ตอนที่ยัง ยังสบายสบายอยู่ก็คือตอนที่เราซ้อมตายนี่แหละนึกว่าเราและลึกว่าเราจะอาจจะกำลังจะตายคืนนี้แล้วก็ทําใจปล่อยวางทุกอย่างที่มีใหม่ๆก็ทําไม่ได้นะใหม่ๆใจมันก็ต่อต้านขัดขืนบางคนก็ร้องไห้นึกถึงลูกบางคนก็ตัวแข็งเพราะว่ายัางไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยังไม่ได้ขอคขามาท่าน ใจมันต้านอันนี้ธรรมดานะแต่พอทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําไปทุกวันทําไปทุกวันก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นถึงเวลานะถึงเวลานี้มันใจมันปล่อยได้เองเพราะได้ฝึกเอาได้ฝึกเอาไวนะ้คนเราทุกวันนี้เรียนอะไรต่ออะไรมากมายบางทีเรียนเ ป, ป, ป, ป็นปะีๆนะเรียนมหาทลาย คณะสถาปัตย์เรียนหมหาเชลัยคณะวิศวะบัญชีสี่ปีห้าปีจบมาแล้วไม่ได้ใช้ก็มีแต่ไอวิชาซ้อมตายหรือเตรียมตัวตายนี้ได้ใช้แน่ทุกคนในที่นี้ได้ใช้แน่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าเสียเวลาไอขณะที่เราวิชาหลายอย่างเราไม่ได้ใช้หรือไม่สาคัญเลยไปเรียนเลย วิชาท bakery, ําเบเกอรี่วิชาตัดเสือ้อวิช า, าจัดดอกไม้เขาจัดเสียเงินได้นะยังไปเรียนเลยเรียนแล้วไม่ได้ใช้ก็มีเพื่อจะมาไปฝึกฝึกกรอปเสียเงินเป็นหมื่นนะเรียนหนึ่งร้ยชั่วโมงเรียนไม่ทันจบเลยเบื่อละขี้เกียจเรียนละไอ้ร้อยชั่วโมงเกือบร้อชั่วโมงที่ศูนย์ไปนี่ไม่ได้เป็นประโยชน์เลย เรียนแล้วไม่ได้ใช้แต่ว่าวิชาซ้อมตายเตรียมตัวตายนี่ได้ใช้แน่แล้วก็ไม่เสียเงินด้วยเพราะเราทาเองงั้นถ้าเราเจริญรอนัสติเสมอเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เรารับเมื่อความตายได้เมื่อมันมาถึงทำความดีแล้วหนีความชั่วแล้วเจริญรอนัสติแล้วก็ยังไม่พอนะ มันต้องเจริญสติด้วยเจริญสติคือฝึกจิตให้รู้กายรู้ใจรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนจะตายเนี่ยบางที ม, มีความตื่นตระหนกคนที่นั่งเครื่องบินคนที่ขับรถแล้วก็เห็นอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าหรือว่าเห็นรถสิบล้อกำลังวิ่งสวนเข้ามา ไม่กี่วินาทีมันก็จะประสานงานลตกใจนะพอตกใจนี่ถ้าเกิดตายไปก็ไปอาบายได้หรือตอนที่ตกใจนึกถึงลูกนึกถึงเมียเกิดความห่วงหาอะไรก็ไปอาบายนะในสายพุทธกาลนี่มีพระที่เกิดเป็นเลนก็เพราะว่านึกถึงจีวอนที่ไม่ได้ใส่นึกถึงจีวอนอย่างดีที่พี่สาวมอบให้ถวายให้แล้วไม่ทันได้ใช้เกิดความอาลัยในจีว น, นั้น จิตสุดท้ายนี่เกิดเป็นอบายอ่ะเป็นอกุศลก็ไปอบายความห่วงหาอะไรนี่เป็นอกุศล น, นะหรือความรู้สึกผิดจางนา ม, มาริกาเทวีไมสีพระเจ้าประสิทธิโกศลตอนจะตายนึกถึงความผิดที่ได้ทำไว้คือไปโกหกพระเจ้าประสิทธิโกศลเรื่องเล็กน้อยแต่หน้าอบายเรื่องที่ตัวเองไปทําอะไรไม่ดีกับกับสุนัขนะ แล้วก็ไปโกหกได้สำเร็จแต่ตอนจะตายรู้สึกผิดที่ไปโกหกผิดศีลเพราะว่านางมริกากเป็นเป็นอุบาสิกาที่ใฝ่ธรรมพอนึกถึงความผิดที่ได้ทำรู้สึกรู้สึกผิดไม่สบายใจแล้วก็ตายไปตอนนั้นก็แปลว่าไปนรกเลยไปนรกทันทีเพราะว่าจิตสุดท้ายนี่สำคัญมาก ถ้าเป็นกุศลก็ไปสุคติถ้าเป็นอกุศลก็ไปทุคติมันเป็นมันเป็นกรรมที่ส่งผลทันทีเรียกว่ออาอสัญนกรรมอสัญนกรรมคือกรรมตัวเจียงกรรมของกรรมในวาระสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะทําความดีมาอย่างนางมาเลกาก็ทําความดีมาแต่ว่าตอนตอนก่อนตายจิตสุดท้ายนี่เป็นได้ทํามนโนกรรมที่เป็นอกุศล ก็คือความรู้สึกผิดก็เลยไปอบายงั้นถ้าเราไม่อยากไปอบายหรือไม่อยากทุกข์ก่อนตายก็ต้องเจริญสติเอาไว้ให้สติของเราเนี่ยช่วยในการที่จะรู้เท่าทันอากัศรจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ว่าจะเป็นความอาลัยเมื่อจะเป็นความกลัวความโกรธ หรือว่าความรู้สึกผิดไอ้คนนี้มันเกิดขึ้นได้นะอย่าประมาทนะจะเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่ถ้าให้รู้เท่าทันมันมันก็เล่ ง, งานได้ที่จริงถ้าให้ดีก็ควรจะสาสางกันก่อนที่จะก่อนที่มันจะเกิดเหตุปุก ป, ปับที่ทำให้เราต้องไปเช่นทางความผิดกับใครก็ขอขามาซะในงานเดียวมันจะมากลายเป็นความรู้สึกผิดที่มาหลอกหลอนก่อนตาย การที่เราเจรญสติเนี่ยมันก็เป็นการนะเตรียมเตรียมตัวเหมือนกันนะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตายเกิดมีอะไรปรบปรับขึ้นมานี่มีสติรู้ทันวางได้ปล่อยวางได้หรือว่าอาจจะนึกถึงความดีที่ได้ทาก็ได้การ ม, สมาสวดมนต์บ่อยๆนี่ก็ช่วยได้นะมีผู้ชายคนนึ่งเขาเล่าขี่จป็นยานจะกลับบ้าน จุก็มีรถพุ่งมาชนข้างหลังเขารู้ตัวเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะอาจจะไม่ถึงวินาทีก็ได้ก่อนที่รถจะพุ่งเข้ามาชนเข า, าเพอินโชคดีเขาไม่ตายเขาก็เลยเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่รถจะพุ่งชนเนี่ยคือพอเขารู้ว่ารถจะวิ่งเข้ามาชนนี่จิตมันทางานเลยนะเขาเห็นแสงสว่างว่าขึ้นมา แล้วก็เห็นครูบาจารย์เป็นนิมิตปรากฏขึ้นในใจแล้วจิต ก, ก็เริ่มสวดมนต์พอเริ่มสวดมนต์ปุ๊บแล้วก็พุ่งชนแล้วเขาก็หมดสติในการที่จิต ง, งเขาเนี่ยนะนึกถึงครูบาจารย์แล้วก็สวดมนต์เนี่ยมันเป็นเองนะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่ว่ามันทํางานของมันเองนะเพราะว่าพอมีสติปุ๊บเนี่ย จิตมันก็ทํางานตามที่มันคุ้นเคยถ้าส่ว น, นบ่อยๆนึกถึงครูบาอาจารย์บ่อยๆหรือว่าหรือถึงพระรัตนตรัยบ่อยๆมันก็ทําให้จิตเนี่ยทำงานในลักษณะนั้นได้แล้วถ้าไปเนี่ยก็ไปก็เรียกว่าไปดีนะเพราะไม่มีความกลัวไม่มีความอาลายัยไม่มีความเสียใจเลย แคบางทีการเจออุปติเหตุตายพระอุปติเหตุนี่ก็อาจจะเรียกเป็นตายดีก็ได้นะเป็นการตายดีในคติพุทธศาสนาถึงแม้ว่าศพจะไม่สวยนะแต่ว่าตายดีเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นกุศลให้คนที่หลับตายไปบางทีไปไม่ดีนะเพราะว่าอาจจะตายเพราะฝันร้ายช็อกตายคนก็นึกว่าเออเข้าไปสงบแต่ที่จริงไปอาบายก็ได้เพราะว่าเกิดความตื่นตระหนกตกใจก่อนจะสิ้นลม หรือก่อน ท, ที่จะจิตจะกล้า ง, างการเจริญสติก็ดีการสวดมนต์ก็ดีเนี่ยมันเป็นการสร้างวิสัยให้กับจิตในการที่จะรู้เท่าทันความทุกข์หรือว่าอากุศลที่เกิดขึ้นอันนี้หราเรียกว่าทำให้พร้อมพร้อมก่อนตายยิ่งถ้าสามารถจะเจริญวิปัสสนาถึงขั้นที่ว่าตายก่อนตายได้ก็คือว่า ตัวตนมันตายหรือตัวฉันมันตายก่อนที่จะหมดลมไอ้ตัวตนนี่มันไม่มีจริงนะแต่เราไปยึดมันว่ามีทำอะไรก็มีแต่ตัวฉันฉันนั่งฉันนอนฉันกินฉันโกรธฉันเจ็บไอ้พวกนี้มันเป็นความปรุงแต่งทั้งนั้นแล้วก็เลยกลัวตายเมื่อนึกว่าฉันต้องตายฉันต้องตายใจถ้าเกิดว่าเราเห็นความจริงว่าตัวตนไม่มีเราวางได้ ละความยึดมั่นในตัวกูของกูเนี่ยมันก็ไม่มีตัวฉันต่อไปมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจแล้วก็ไม่ได้ยึดว่ากายนี้เป็นฉันของฉันไม่ได้ยึดว่าใจนี้เป็นฉันเป็นของฉันก็ไม่กลัวตายแล้วเพราะมันมีความสำคัญมม่หมายว่าฉันตายคนเราเพราะมีความยืดมั่นมันมีตัวกูเนี่ยถึงกลัวตายอย่างที่เรามีคาพูดว่ารักตัวกลัวตายรักตัวกลัวตายเนี่ยหมายความว่าเพราะรักตัวจึงกลัวตาย แต่ที่หลักตัวเพราะยังมีความคิดว่ามีตัวอยู่มีกูอยู่มีชั้นอยู่อันนี้เป็นอวิชชามีความหลงถ้าเราจเจริญสติจเจริญวิปัสสนานะจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีตัวกูไม่มีตัวฉัน้นอันนี้เรียกว่าตายก่อนตายนะก็คือว่าตัวกูมันตายก่อนที่จะหมดลมอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นจุดหมายสูงสุดนะของชาวพุทธจะพูดว่ากิเลสมันตายก่อนที่จะล่างตายก็ได้ จะทำให้กิเลตายนะก่อนที่ร่างกายจะแตกดับนี่กนะ็ถือว่าเป็ น, ปนจุดหมายสูงสุดนะที่ทำให้มนุษย์เราสามารถจะเอาชนะความตายได้เอาชนะความแก่เอาชนะความเจ็บชนะความตายคือไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีตายเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยล้วก็ยังหมายความว่าความตายทำอะไรไม่ได้ ดังความตายจริงนี่มันมันไม่น่ากลัวนะไอ้สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือกิเลสแวิชาหรือว่าความกลัวตายนั่นแหละความตายไม่น่ากลัวถ้าเอาความกลัวตายและที่กลัวตายเพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนฝึกปรือไว้เลยแต่ถ้าฝึกเอาไวน้นี่ถึงเวลาตายการตายก็เป็นการตายที่สงบได้มีพิญญานึงก็เล่าให้ฟังว่าทุกทุกเช้าก็ตื่นมาตีห้าจะไปทํางาน ก็จะทุกครั้งก็จะเห็นแม่กับยายเนี่ยอยู่ในครัวเพื่อทำอาหารถวายพระใส่บาทพระทุกเช้าแต่ตัวตัวคนเล่านี่เขาไม่ค่อยมีเวลาหรอกก็ต้องรีบไปทำงานกรุงเทพนี่มันต้องอ อ, ออกจากบ้านตั้งแต่ก่อนหโมงได้ซ้ำาม่งรถติดวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเห็นแต่แม่อยู่ในครัวอา้าวยายไปไหน ก็เลยไปเรียกยายที่ห้องนอนยายก็ตอบมาว่าวันนี้ไม่ไปปิธบัตรแล้ววันนี้ไม่ใส่บาทแล้วจะนั่งสมาธิสวดมนต์หลานก็ถามว่างั้นยายจะเอาอะไรแม่กลับมาจะซื้อมาให้ก็มีเสียงยายตอบมาว่าไม่เอาอะไรละหลานก็เลยไปทํางานสายแล้วยายก็ยังไม่ออกมากินข้าว แม่ของคนเล่าก็คือลูกของยายเนี่ยก็เลยไปเรียกไม่มีเสียงตอบก็เลยเปิดประตูเข้าไปพรากว่าเห็นแม่ของตัวเนี่ยหรือยายของผู้เล่าเนี่ยนุ่งขาวหงสาวนั่งพิงเสาก็นึกว่านั่งสมาธิหลับไปพ่อเรียกแล้วไม่ไม่ขานก็เลยขยา่าพอขย่าตัวนั่นแหละล่างนั้นก็ลงมากองกับพื้นก็คือตาย มารวมไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ก็หลังจากที่ได้คุยกับหลานสาวเป็นการตายที่ในท่าที่นั่งสมาธิซึ่งเป็นวิธีตายของคนสมัยก่อนนะคนสมัยนี้ก็ยังนั่งสมาธิตายได้เหมือนกันไม่ใช่พระท่านที่นั่งโยมก็สามารถนั่งตายในท่า น, นั่งสมาธิได้เป็นการตายที่เบามาก เหมือนกับใบไม้ที่มันหลุดจากคั่วก็น่าคิดว่ายายเนี่ยเขารู้ไหมว่าวันนั้นจะเป็นมาสุดท้ายของเขาอธตมาว่ายายนี่รู้นะไม่พอแม่งันนี่ก็จะไปใส่บาตรแล้วแต่ว่าวันนั้นเป็นวันเดียวที่จอดจงไม่ใส่บาตรเพราะรู้ว่าเป็นมาสุดเป็นาสุดท้ายแนละ้วก็จะขอสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ ตอนนี้ไนเมื่อรู้ว่าจะตายทำไมไม่บอกทำไมไม่ล่ำลาทำไมไม่เรียกให้ลูกหลานมานั่งหรือลุมล้อมเพื่อที่จะสั่งเสียก็คงเป็นเพราะว่าไอสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรสั่งเสียก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีความจำเป็นต้องบอกใครใจจะคิดว่าคนเรามาคนเดียวก็ไปคนเดียวไม่ต้องไปทำให้อเะเกเลอร์ก็ได้กอเลยไม่บอกใคร ด้ยแต่ผมคิดว่าเขาบอกเลยเดี๋ยวคนจะตื่นตกใจมาบรบกวนสร้างบรรยา ก, กาศที่ไม่สงบเลยขอปรไปขอไปคนเดียวคนจำนวนไม่น้อยนี่ไม่ไม่อยากไปคนเดียวนะเวลาถามว่าเวลาอยากจะตายนี่ถ้าตายนี่อยากจะเห็นอะไรบ้างอยากจะให้ลูกหลานมาลุมล้อมอยากจะสั่งเสียลูกหลานอยากจะตายถ้ำกลางคนรักแต่ว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงๆนี่ตายคนเดียวก็ได้ ไม่มีปัญหาไม่รู้สึกว่าเหงาหรือว่าน่ากลัวแต่อย่างใดแล้วคนที่ตายแบบนี้ได้เนี่ยนอกจากจะสั่งเสียลูกหลานทำหน้าที่ต่อลูกหลานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกอย่างนึงคือว่าได้ทำความดีมาตลอดพอทำความดีมาตลอดรวมทั้งไม่มีอะไรที่ต้องสาสางปล่อยวางสิ่งทั้งปวงแล้วเนี่ยการตายก็เป็นเรื่องง่ายนะเมื่อการไปนอนหลับ วันนี้พอรู้ว่าจะตายแล้ววันนี้ปอนสุดท้ายแล้วก็ไปนั่งสมาธิสวดมาแล้วก็ตายไปเลยและเป็นการตายที่ง่ายมากเเป็นการตายที่ไม่น่ากลัวเป็นการตายที่ไม่ทุรนทุรายเพราะว่าได้เตรียมตัวไว้แล้วพร้อมอยู่เสมอลูกคนที่เรานี่มารู้ว่ายายตายก็ตอนใส่ก็เลยเข้าใจเลยที่ยายบอกว่าไม่เอาอะไรแล้ว ไม่เอาอะไรแล้วก็คือพอปล่อยวางหมดแล้วเมื่อปล่อยวางหมดแล้วก็พร้อมที่จะไปอพวกเรานี่ถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมถ้าเกิดว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่วางนะยังมีโ น, โน่นมีนี่ที่ยังต้องยึดติดนี่ก็ไม่ยังไม่พร้อมตายนะเราจะมั่นใจว่าเราพร้อมตายก็เพราะก็ต่อเมื่อเราปล่อยปล่อยวางหมดแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ได้ยิดว่าเป็นเราเป็นของเราซึ่งก็คงทําได้ยาก แต่ยงน้อยไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งนอกตัวเช่นทรัพย์สมบัติที่ดินแก้แวแหวนเงินทองงานการหรือแม้กระทั่งคนรักเราก็พร้อมที่จะปล่อยได้เมื่อพร้อมที่จะปล่อยไอ้ความตายก็ไม่น่ากลัวแล้วก็พร้อมตายพร้อมก่อนตายเนี่ยมันมีความหมายแบบนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่นะที่เราต้องต้อ ง, ต, องต้องทําต้องใส่ใจในการที่มีชีวิตอยู่ ตอจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราก็พอสมควรแล้วนะ